สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะวันนี้บีมีเรื่องหลอนจากทางบ้านมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ ก่อนอื่นบี B. ก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องนะคะที่นำมาให้เราได้พูดคุยกันแล้วก็มาเล่าสู่คุณผู้ฟงังฟังเป็นเรื่องหลอนๆบนดอยค่ะโดยคุณ อ, อมนะคะบอกว่าเป็นครั้งแรกหากมีอะไรผิดพลาดในการเขียนอธิบายไม่ละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเว้นวรรคยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้บอกเล่าประสบการณ์ที่น่ากลัวที่เคยพบเจอมาค่ะ ครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วกับครอบครัวประมาณ11คนได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ น, นดอยแห่งหนึ่งด้วยด้วยจํานวนคนที่เยอะมากค่ะก็เลยเช่าเหมารถตู้เพื่อใช้ในการเดินทางตัดไปตอนถึงตีนดอยเลยละกันนะคะในการทางในทางขึ้นดอยแห่งนี้เนี่ยมันจะมีเพียงแค่ป้ายบอกทางเล็กๆ ถนนค่อนข้างคดเคี้ยวมากค่ะไม่มีรถคันอื่นเลยระหว่างทางด้านบนก็ค่อนข้างสงบมีที่พักแล้วก็สวนต่างๆสวยงามมากเมื่อถึงที่พักก็จัดแจงเช็คอินแล้วก็รอเข้าที่พักบรรยากาศดีแม้ว่าแดดจะแรงแต่ว่าอุณหภูมิค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 18-19 องศาเซลเซียสค่ะเหมาะแก่การมาเที่ยวชมดอกไม้แล้วก็ต้นไม้พร้อมกับการพักผ่อนไปในตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะ เมื่อเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติตามประสานเรียบร้อยแล้วระหว่างเข้าห้องรอเข้าห้องพักประมาณ15นาทีหลังจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปยังห้องพักเดินผ่านสวนดอกไม้ตามทางเดินเล็กๆนะคะก็จะเจอห้องพักเป็นบ้านไม้แยกเป็นหลังๆเรียงรายกันอยู่ด้านหลังบ้านพักเป็นป่าด้านหน้าเป็นทางเดินหินดินเล็กๆค่ะก็มีการจัดของมีการจัดแต่งสวนสวยงามเลยทีเดียว เมื่อคุณออมแล้วก็ยัดญาติเข้าห้องพักแล้วก็จัดของกันเสร็จเรียบร้อยบางส่วนก็พักผ่อนเพราะว่ามีสมาชิกบางส่วนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะคะพอได้เวลาก็ออกมารับประทานอาหารกันตอนเย็นนั่งคุยกันไปสัปเเหระประมาณสองทุ่มเป็นเวลาปิดของร้านอาหารค่ะเด็กๆ ก, ก็พาผู้สูงอายุกลับไปยังที่พักบางส่วนก็เดินเล่นถ่ายรูปกับซุ้มดอกไม้ต่าง เมื่อถึงเวลาพนักงานที่อยู่ในร้านก็ปิดประตูร้านและกำลังรีบเร่งขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่นี่ทุกอย่างปิดหมดค่ะไม่มีคนออกมาเดินเพ่นพ่านไม่มีเสียงผู้คนใดๆรู้สึกเกิดอยากชิลขึ้นมาก็เลยเดินเล่นเพียงลำพังบรรยากาศโดยรอบคือมืดมากมีเพียงแสงไฟส่องเป็นบางจุดจากหลอดไฟตามเสาตามซุ้มดอกไม้ต้นไม้แล้วก็ดวงไฟหน้าห้องพัก ฤดูหนาวเนี่ยเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยก็จะเห็นเพียงดวงดาวสีเงินระยิบระยับมากมายโปรโยปรายอยู่บนท้องฟ้าที่ดำมืดก็เลยเดินเล่นไปรอบที่พักค่ะโดยถือโทรศัพท์เปิดหน้าจอสว่างเต็มที่แล้วค่ะส่องตามทางเดินเมื่อเดินไปทางด้านหน้าทางเข้าถนนก็จะเป็นทางตรงกว้างประมาณ5เมตรซึ่งลงต่อไปนี้ก็จะเป็นถนนโคดเคี้ยวทางที่รถตู้ขับขึ้นมา ด้านล่างมีดวงไฟเล็กๆจากที่มองดูไม่ไกลามากก็เลยเกิดนึกสนุกขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นร้านค้าค่ะก็เลยอยากได้ไอศครีมเย็นๆสักแท่งหนึ่งนึกแล้วก็ฟินเนาะเพราะคิดว่าอากาศตอนนั้นเริ่มเย็นลงกว่าตอนกลางวันกะว่าจะซื้อมาฝากเด็กๆด้วยก็เลยเดินลงไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟโทรศัพท์สองเครื่องนี่แหละส่องดูทางเดินส่องได้ระยะใกล้ๆเท่านั้น ตามทางก็มีกรวดโรยอยู่ทั่วเมื่อเหยียบลงไปก็จะมีเสียงดังสวบๆนะคะเป็นเสียงกรวดกระทบกันด้านคางก็จะเป็นกอญ้าสูงประมาณเกือบเท่าตัวคนลมเย็นๆพัดมาเอ่ยๆไม่มีเสียงนะคะมันดูเงียบมากค่ะมีเสียงแมลงกับพวกกบพวกเขียดบ้างเป็นระยะเดินไปสักพักหนึ่ง อยู่ๆก็รู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมาจนต้องหันไปมองข้างหลังแต่ก็ไม่มีอะไรก็เลยกลับมาเดินทางต่อไปพร้อมกับแงนหน้ามองท้องฟ้าแล้วก็มองไปรอบๆพร้อมส่องไฟไปสักพักหนึงมีเสียงก้อนกรวดกระทบกันเสียงดังสวบๆนะคะในใจก็คิดว่าเออมีคนเดินมาก็เลยหันตามที่มาของเสียงแต่ไม่มีใครค่ะคุณผู้ฟังตอนนั้นรู้สึกกลัวนิดๆก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เริ่มขนลุก ก็เลยข่มใจเดินต่อไปพยายามนึกแค่ว่าถ้าเดินถึงร้านค้าแล้วจะซื้ออะไรบ้างเพื่อข่มความกลัวแต่ก้าวขาแทบไม่ได้การเดินของเราเนี่ยช้าลงรู้สึกขาจะชาขึ้นมาซดือด้อเหมือนตอนที่ตัวเองฝันว่าผีวิ่งไล่น ะ, ะแต่ว่าตอ่อให้เราวิ่งเร็วแค่ไหนก็รู้สึกเหมือนขาก้าวไม่ออกหรือว่าผีจะวิ่งเร็วกว่าประมาณนั้นสักพักหนึ่ง เสียงก็เดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเหมือนกำลังเคลื่อนตามมาหาตัวเราหากเป็นคนเนี่ยมันไม่ใช่เสียงคนคนเดียวเดินแน่แต่ว่ามันเป็นเสียงฝีเท้าของคนหลายคนที่กำลังเดินตามมาค่ะด้วยความกลัวก็เลยค่อยๆหมุนจอโทรศัพท์ไปทางขวาพร้อมกับเหลตาไปด้านขวาข้างทางที่มีต้นหญ้าขึ้นสูง ท่านใดนั้นก็ไม่รู้ด้วยแรงลมเอื่อยๆหรือว่าอะไรบางอย่างนะคะกอหญ้ากอหนึ่งก็แหวกออกค่ะถ้าเป็นคนก็เหมือนกำลังใช้มือแหวกกอหญ้าเดินออกมาจากกอหญ้าแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบอกตรงๆว่าคุณอมสติเริ่มกระเจิงด้วยเสียงสวบๆของก้อนกรวดที่เหมือนคนกำลังเดินตามและก็กอหญ้าที่แหวกออก ก็เลยหันซ้ายหันขวาทีนี้นี่หันซ้ายอย่างเดียวโดยวิ่งทันทีสุดชีวิตค่ะเสียงฝีเท้าสวบสวบสวบก็วิ่งตามออกมาด้วยคือคลายกับเริ่มออกวิ่งตาม ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคือวิ่งอย่างเดียวนึกถึงหนังผีที่เอื้อมมือมาจับแล้วก็พยายามวิ่งให้เร็วนะคะสายตาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างคือสีอ่อนๆคล้ายกับสีขาวที่กอหญ้าข้างทางด้านหน้านี่ก็ไกลพอสมควรค่ะมันโผล่เด่นออกมาจากความมืดเลยคือมันเป็นสีสว่างเหมือนภาพพิ้วๆที่แม้ไม่ใช่ไฟส่องก็มองเห็นได้วิ่งมาเรื่อยๆค่ะ จนเมื่อวิ่งมาถึงมันก็เลยหันไปมองด้วยความงงกับสิ่งที่เห็นสมองไม่มีตระ ก, กะไปชั่วขณะเหตุแล้วก็ผลไม่มีในขณะนั้นค่ะสิ่งที่มองเห็นคือเป็นลักษณะของคนยืนใส่เสื้อขาวยาวกว่าเสื้อที่เราใส่ปกติเหมือนเป็นชุดคลุมผ่าด้านหน้านะคะยาวลงมาประมาณเข่าค่ะคล้ายชุดงานบวชนะคะเป็นชุดนาคที่แบบโปร่งๆแต่ว่าหัวแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยมองไม่เห็นนะคือมันค่อนข้างมืดก็เลยเห็นเฉพาะเสื้อเท่านั้นเองนะคะ เมื่อวิ่งพ้นสิ่งนั้นไปแล้วก็เป็นทางเข้าที่พักมีโคมไฟติดอยู่ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมากและทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติไม่มีเสียงสวบหรือว่าวิ่งตามมาแล้ว ก็เลยหันหลังไปมองโดยอัตโนมัตินะคะจากจุดที่แสงโคมไฟสาดไปเป็นระยะที่มองเห็นสิ่งต่างๆได้ประมาณ 5-6 เมตรจากตรงนั้นบรรยากาศก็คือที่เริ่มไล่เฉดความมืดมันก็จะค่อยๆมืดขึ้ น, นเรื่อยๆมองเห็นเป็นเงาดำลังๆคนยืนอยู่เยอะมากค่ะรีบหันกลับทันทีแล้ววิ่งต่อไปจนถึงที่หน้าห้องพักเคาะประตูเรียกอย่างแรงจนกระจกบางๆบนประตูไม้หน้าห้องนีสะเทือนเหมือนพร้อมจะแตกได้ทุกวินาที และเมื่อเข้ามาก็ไม่มีใครถามอะไรเพราะว่าแต่ละคนนี่นั่งกดโทรศัพท์กันอยู่ 2- อสาคนอีกสองคนหลับไปแล้วค่ะก็เลยเดินพุ่งพลวดเข้าไปในห้องน้ําล้างหน้าล้างตาเพื่อดึงสติกลับมาแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคิดไว้อย่างเดียวคือผีหลอกอย่างเดียวแน่นอนคนอะไรจะเยอะแยะเดินในที่มืดแล้วก็ไม่ส่งเสียงอะไรเลยประกอบกับสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นชุดขาวพลิ้วนะคะไม่น่าจะใช่เครื่องแต่งกายคนปกติจะมาใส่เดินเล่นมืดมืดแบบนั้น หลังจากนั้นก็เลยเข้านอนบนเตียงภายในห้องเนี่ยก็จะมีเตียงใหญ่2เตียงจากประตูห้องเข้ามาด้านซ้าย1เตียง 2-3 ส, สาคนนั่งเล่นโทรศัพท์นะคะถัดมาอีกเตียงก็จะมี2คนนอนอยู่ด้วยความกลัวก็เลยนอนเตียงที่2ตรงกลางแล้วกันค่ะนอนคุดคูในลักษณะของการนอนกอดเข่าเนี่ยนะคะคือเข่าแทบจะมาแนบกับหน้าอกแล้ว แล้วก็พอตอนเช้ามาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคนที่บ้านฟังคือคนที่เนี่ยเคยมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้แนะนําให้คนในบ้านมาเที่ยวพอเขาได้ฟังแล้วเขาก็เลยบอกกลับมาว่าที่นี่เนี่ยเชื่อกันว่ากว่าจะสร้างมาได้สวยงามต้องแลกด้วยชีวิตคนในพื้นที่เพราะว่าการก่อสร้างทั้งถนนแล้วก็ที่พักบนเขาสูงมันเสี่ยงมากทางก็ชันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้และอีกอย่างคือป่าแถบนี้เนี่ยในอดีตมีสงครามคนในพื้นที่เพราะว่าอยู่ใกล้เขตชายแดน เมื่อฟังแล้วค่ะก็ขนลุกอีกรอบหนึ่งยกมือขึ้นพนมหนึ่งครั้งคิดในใจว่าข้าพระเจ้ามาเที่ยวไม่ได้มาลบหลู่หรือว่าสร้างความเสียหายรบกวนแก่ผู้ใดหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จก็เดินทางออกจากที่พักจากทางทางเข้าเนี่ยนะคะออกมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรถึงจะทางถึงทางลงดอยตามที่เมื่อคืนเนี้ยระมองเห็นตอนลงก็พยายามจดจ้องอยู่กับ้างทางคือ คุณออมบอกติดใจตรงไฟร้านค้าเมื่อคืนที่เห็นนี่แหละคือที่เห็นนี่มันเป็นไฟจริงๆนะคะเห็นเป็นลักษณะเต็นท์อยู่ไกลลงไปเลยนะะจากทางลงดอยสรุปคือเมื่อตอนกลางวันหลังจากที่ลงมาเนี่ยก็มองตลอดไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่ป่าล้วนๆเลยขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันจากคุณออมด้วยกับเจ้าของเรื่องหลอนบนยอดดอยค่ะ คุณผู้ฟังเคยเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปเที่ยวแต่ว่ามีทางลัดให้เราเดินทางแล้วก็เป็นทางลัดที่ดูค่อนข้างจะใกล้ด้วยนี่คะสมมุติว่าทางตรงเนี่ยประมาณ1กิโลแต่ว่าทางลัดแค่300เมตรคุณผู้ฟังเลือกที่จะเดินทางตรงหรือว่าทางลัด เรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคุณดวงกระม น, นีคะเพิ่งจะกลับจากการทําบุญทอดกรถิ่นที่โคราชนะคะพอเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการแล้ววันนั้นคุณดวงกระมนเองก็มีนัดกับเพื่อนก็คือจะไปนอนที่บ้านเพื่อนเพื่ อ, อทํารายงานกันค่ะวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้วก็เป็นวันพระด้วย ก็เลยจะไปนอนกัน2คน2คืนแล้วก็วันอาทิตย์ค่อยกลับกันนะคะก็เลยบอกให้พ่อเนี่ยแวะที่มหาลัยเพราะว่าเป็นทางผ่านของทางกลับบ้านแล้วก็เพื่อนที่รออยู่ที่มหาลัยด้วยอีกสองคนก็ขอใช้นามสมมตินะคะเพื่อนสองคนว่า A กับ B ก็แล้วกัน A เป็นผู้ชายบี B เป็นผู้หญิงค่ะเป็นเจ้าของบ้านที่คุณดวงกำมลนเนี่ยจะไปนอนค้างด้วยในตอนนั้น ก็มาถึงมหาลัยก็มืดแล้วนะคะช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่ า, วาทุกคนก็ได้ขับรถออกจากมหาวิทยาลายัยโดยคุณ A เนี่ยเป็นคนขับรถคุณ B นั่งข้างๆคนขับนะคะแล้วก็คุณดวงเนี่ยอยู่ที่ข้างหลังนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยค่ะว่าคุณดวงเองเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นยิ่งช่วงวันพระก็จะยิ่งเห็นพวกเราก็กะว่าจะไปกันทางลัดค่ะเพราะว่าขับกันไปทางปกติรถก็ติดอีกนานชั่วโมงเลย ก็เลยไม่อยากจะรถติดก็เลยอยากจะต้องใช้ทางลัด ท, ที่สามารถไปออกเส้นสุขุมวิทสายเก่าได้แต่ว่าบ้านเพื่อนนี่อยู่ถนนบางพรีตรํารุที่เขาเรียกเส้นคลองขุดนั่นเองที่เลือกไปทางลัดก็เพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะคือมันลดระยะการเดินทางได้เยอะกว่ากันมากๆแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยอมเสียเวลาดีกว่าเนาะอ ะ, อะคุณเอเลี้ยวรถเข้ามาในทางลัด ท, ที่เราเรียกว่าคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิ ก่อนที่คุณ A จะเลี้ยวรถเข้ามาก็บอกให้คุณ A เนี่ยจอดรถเพื่อจะได้ไปนั่งข้างหน้ากับคุณ B เพราะว่ากลัวนะคะตอนแรกที่ A เลี้ยวรถเข้ามาก็เห็นมีรถคันอื่นๆเลี้ยวตามกันมาอีกหลายคันค่ะก็เลยนึกโล่งใจที่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้มีรถมาวิ่งอยู่หลายคันไม่ใช่แค่ราคันเดียวเพราะว่าในคลองส่งน้ำเนี่ยนะคะ ถ้าคนที่ขับผ่านเข้ามาหรือว่าคนในท้องถิ่นจะรู้กันดีว่าถนนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีหลุมเยอะมันน่ากลัวมากค่ะสองข้างทางมีแต่ดงหญ้าแล้วก็ตลอดเส้นทางไม่ค่อยมีบ้านคนแถมยังไม่มีไฟถนนอีกด้วยคือมันค่อนข้างจะมืดเห็นทางแค่ไฟหน้ารถเท่านั้น เมื่อขับเข้ามาในคลองส่งน้ำทีแรกก็ขับรถตามเข้ามาเยอะเลยแต่พอข้ามสะพานมาอีกฝั่งเพื่อจะมุ่งหน้าไปสุขุมวิทสายเก่ากลับไม่มีรถตามมาสักคันเลยนะคะตอนนั้นคุณดวงกับคุณบีก็เลยบอกให้คุณเอเนี่ยขับรถไม่ต้องเร็วมากนะเพราะว่ามันมืดกลัวตกหลุมหรือเหยียบอะไรเข้าพอขับไปสักพักหนึ่งคุณเอที่ขับรถเนี่ยก็พูดว่าเฮ้ยมีรถขับตามมาด้วยว่ะดูดิ ทุกคนก็เลยหันไปดูแล้วก็พูดกันว่าเออดีเลยอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมทางละตัวของคุณดวงกระมวลกับคุณบีก็คอยมองกระจกมองข้างของรถแล้วก็ ร, บรอบๆตลอดนะฮะเพราะว่ามันเปี่ยวมากค่ะถึงจะมีรถขับตามมาก็ตามแต่ก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเป็นโจรหรือว่าคนไม่ดีหรือเปล่าก็เลยขับรถไปเรื่อยๆก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังตลอดว่ารถคันนั้นยังอยู่หรือเปล่า พอหันไปมองประมาณรอบที่5้าปรากฏว่ารถคันนั้นหายไปแล้วค่ะก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะรถคันนั้นหายไปไหนหายไปตอนไหน ท, ทั้งทางที่ขับมาเราก็ไม่เห็นว่าจะมีซอยหรือว่าทางที่จะสามารถเลี้ยวไปได้แต่ก็พูดปลอบใจกันบอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกรถคันนั้นอาจจะเลี้ยวเข้าซอยไปจริงๆก็ได้เราอาจจะแค่มองไม่เห็นจากนั้นก็ขับกันมาเรื่อยๆค่ะระหว่างที่ขับมาก็เห็นข้างทางตลอดนะ เห็นคนแก่เนี่ยเดินส่วนรถไปเห็นผู้ชายยืนอยู่กลางถนนบ้างหรือแม้แต่คนวิ่งตัดหน้ารถค่ะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่เห็นก็เลยได้แต่ซุกหน้ากับคุณบีเพราะว่ากลัวมากทีนี้เนี่ยพอรถวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงประมาณคลอง5ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในคลองส่งน้ำเราก็เลยต้องกลับรถเพื่อเลี้ยวเข้าซอยที่จะไปเส้นคลองขุด ในขณะที่เลี้ยวขวาขึ้นสะพานกลับรถค่ะก็เห็นแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยยืนรวมกลุ่มกันแต่ที่แปลกคือเห็นผู้หญิงในชุดทํางานเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนยืนอยู่บนราวสะพานลักษณะก้มตัวลง90องศามองกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นอยู่ซึ่งโดยปกติถ้ายืนบนราวสะพานแบบนั้นไม่น่าที่จะก้มตัวลงมาได้ขนาดนั้นนะคะทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรจับเลยก็เลยได้แต่นั่งเงียบเพราะกลัว เนาะพอผ่านตรงนั้นไปได้ก็เลี้ยวเข้าซอยทางหลวงชนบทที่จะออกไปเส้นคลองขุดนะคะเส้นทางดีกว่าคลองส่งน้ำหน่อยแต่ว่าไม่มีหลุมแต่ว่าคดเคี้ยวแล้วก็โค้งเยอะรถของคุณเอนี่ก็วิ่งไปเรื่อยๆด้วยความเร็วไม่เกิน80ค่ะแล้วก็มีรถตู้ขับจี้เรามา เหมือนกับประมาณว่าเขาจะรีบก็เลยคุณดวงกับคุณบีก็เลยบอกให้คุณเอเนี่ยตีไฟซ้ายให้รถตู้แซงไปก่อนเพราะว่าเราเนี่ยขับช้ารถตู้แซงขึ้นไปจริงค่ะแต่ว่ามันไม่ปกติตรงที่เราเห็นท่อนล่างไม่มีท่อนบนของคนนั่งห้อยขาที่อยู่หลังรถตู้นะคะมองไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายคือช็อกมากค่ะตอนนั้นถามเพื่อนว่าเห็นอะไรไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่เห็นนี่ไม่มีอะไร ซึ่งคุณดวงกำมลนเองก็เลยเงียบไปนคะก็ไม่ได้พูดอะไรต่อทีนี้เพราะว่ารู้แล้วเพราะว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพื่อนก็เลยพอจะเดาออก<ๆ>ก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อและรถของเราเนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยๆตามโคง้งอยู่ๆคุณเอร้องเฮ้ยแบบตกใจค่ะพร้อมกับรถที่สายไปสายมาคือคุณเอเนี่ยหักพวงมาลาัยเหมือนหลบอะไรสักอย่างหนึ่งและคุณเอก็เหยียบเบรกและพูดว่าเมื่อกี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์มันวิ่งตัดหน้ารถ ก็เลยคุณดวงกับคุณบีก็เลยบอกว่าบ้าหรือเปล่าไม่มีรถสักคันหนึ่งคุณเอน้าซีดค่ะก็เลยบอกว่าขับต่อไปเถอะเดี๋ยวก็ถึงแล้วคุณเอก็เลยขับต่อด้วยความกล้าแล้วก็กลัวปนกันไปทีนี้พอมาถึงสะพานข้ามคลองแล้วก็เป็นสี่แยกที่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวามีวัดอยู่ ใ, ใกล้ๆไม่เกิน300เมตรซึ่งสะพานนี้ค่อนข้างจะแคบต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถเป็นอย่างมากนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ขยายทางไปแล้วเรียบร้อย อ ย, อยู่คุณบีพูดขึ้นมาบอกว่าระวังนะมีรถสวนมาคุณดวงกับคุณเอก็เลยบอกมีที่ไหนไม่เห็นมีเลย คุณบีก็เลยได้แต่ทำหน้างงซึ่งในขณะเดียวกันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่บนราวสะพานแล้วก็มองมาที่รถของพวกเราที่ขับผ่านไปคือพวกเราก็ขับต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนในรถต่างก็กลัวกับสิ่งที่เห็นได้แต่นั่งมองทางว่าเมื่อไหร่จะถึงทางออกจากปากซอยสักทีทั้งทั้งที่ระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากแต่กลับขับไม่ถึงทางออกสักทีพอดูนาฬิกาค่ะโหเกือบสี่ทุ่มครึ่ง ก็เลยแปลกใจมากว่าเอ๊กว่าทําทไมใช้เวลานานขนาดนี้ทั้งทางที่ปกติเนี่ยจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนก็เลยได้แต่ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอให้รถของเราขับกลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยด้วยเถอะสักพักหนึ่งไม่ถึง10นาทีค่ะก็เจอกับแสงไฟถนนที่เป็นทางออกจากซอยทุกคนดีใจมากแล้วอยู่ๆคุณบีก็พูดขึ้นว่าได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนก็เลยเงียบฟัง มันเป็นเสียงตึกตึกตึกตเหมือนล้อรถเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่งคุณเอก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ลงไปดูปรากฏว่าเป็นตะปูค่ะตะปูขนาดใหญ่ตําล้ออยู่แล้วมันก็ตํามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือทําไมทุกคนไม่รู้กันเลยทุกคนก็เลยตัดสินใจเข้าบ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอารถไปปะยาง เมื่อถึงบ้านก็เลยเล่าแล้วก็แชร์ทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยให้กันและกันฟังนะคะต่างคนต่างก็เห็นไม่เหมือนกันเลยค่ะและที่สําคัญคือถ้าเกิดตะปูมันหลุดในซอยหรือว่าคลองส่งน้ําไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้ทุกคนไม่คิดจะเข้าทางลัดที่เปรี้ยวๆในตอนมืดอีกเลยนะคะ เรื่องนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแชร์ความรู้สึกนี้กันได้แต่ว่าต้องเคารพในความเชื่อของกันและกันด้วยนะคะขอบคุณคุณดวงกำมลนด้วยนะคะกับเรื่องทางเปลี่ยวสุวรรณภูมิค่ะมีบ้านหลังใหญ่งดงามหลังหนึ่งนะคะหากว่ามองดูสภาพโดยรวมแล้ว หลายคนต้องกล่าวเป็นสิ่งเดียวกันค่ะว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่แล้วก็ดูรื่นรมงดงามแล้วก็นาอิจฉาผู้ที่เป็นเจ้าของนะคะแต่ทว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านหลังงามนี้กลับไม่คิดแบบเดียวกันกับผู้คนที่มองเห็นโดยเฉพาะกับผู้ที่เคยสัมผัสกับเหตุการณ์บางอย่างที่ปรากฏขึ้นภายในบ้านใหญ่หลังนี้ในยามค่าคืนที่สงบเงียบ ผู้คนเหล่านี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าจะใหญ่โตแล้วก็งดงามสักเพียงใดแต่ว่าถ้าให้เข้าไปอยู่อาศัยภายใต้ร่มเงาชายคาแม้เพียงข้ามคืนก็ไม่มีผู้ใดกล้ามกลายแม้แต่เพียงรายเดียวค่ะคํากล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นเรื่องราวหรือว่าข้อความที่ตัวผู้เล่าเองอุปโลกขึ้นมานะคะหากแต่ว่าคากล่าวเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอยู่ในเขตตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีต่างโจษจัน์กล่าวขานร่ำลือถึงเหตุการณ์ความน่าสะพรึงกลัวที่แฝงเร้นอยู่ภายในบ้านหลังนี้มาเนิ่นนานหลายปีนับตั้งแต่บ้านหลังนี้ถูกปลูกขึ้นเมื่อประมาณ 7-8 ถึงปปีที่แล้วค่ะจากข้อมูลที่เราได้รับแจ้งจากคุณผู้ฟังท่านหนึ่ง ที่ได้อินบ็อกซ์เรื่องราวเหล่านี้มาให้เราได้อ่านในทางด้านของ Facebook แฟนเพจพระเจอผีนะคะก็ทำให้เราทราบค่ะว่าบ้านหลังงามอันเป็นที่มาของเรื่องราวสะพึงขวัญ น, นี้เป็นบ้านที่มีผู้พบเห็นการปรากฏร่างของหญิงสาวในชุดไทยแล้วก็ร่างของสองตายายในชุดขาวอยู่ภายในบ้านยามวิการทั้งที่บ้านนี้ได้ถูกเจ้าของปล่อยทิ้งให้ตกอยู่ในสภาพของบ้านร้างประมาณ6ปีที่แล้วค่ะ หลังจากได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบ้านกระตุกขวัญหลังนี้นะคะเราก็ได้ทำการค้นหาข้อมูลที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาให้เราได้อ่านดูเบื้องต้นนะคะจนะเราได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเขย่าวขวัญที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพื่อนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟงัง ที่ชื่นชอบเรื่องราวลึกลับนะคะได้รับทราบกันนะคะโดยบ้านหลังงามหลังนี้เป็นที่โจทย์ขานถึงความน่าสยองขวัญเป็นบ้านหลังใหญ่เครื่องตึกเครื่องไม้ทรงไทยที่ปลูกขึ้นอย่างงดงามตาการตาค่ะดูแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความน่าสะพรึงกลัวเหมือนเช่นบ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านผีสิงหลังอื่นๆที่เราได้เคยสัมผัสมานะคะ ชาวบ้านหลายรายที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้กล่าวยืนยันถึงความน่าสะพรึงกลัวของบ้านหลังนี้ค่ะว่าหลังจากที่เจ้าของเดิมได้ขายบ้านให้กับเท่าแก่โรงน้ำปลาคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโพธารามเมื่อราวหกปีก่อนบ้านหลังนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างไว้ไม่มีผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยนะคะโดยไม่มีใครทราบถึงเหตุผลว่าทาไมถึงไม่มีใครยอมมาอยู่ภายในบ้านหลังนี้ ทั้งที่บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่สวยงามน่าอยู่รื่นรมสงบแล้วก็ดูสะดวกสบายนะคะจนกระทั่งในช่วงเวลาต่อมาชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่ะก็ได้พบกับปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นภายในบ้านหลังดังกล่าวนั่นก็คือการปรากฏร่างของหญิงสาวในชุดไทยที่หญิงชาวบ้านคนหนึ่งได้เห็นกับตาตัวเองในกลางดึกสงัดของคืนวันหนึ่งค่ะ หญิงชาวบ้านที่เดินผ่านบ้านหลังนี้เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษซึ่งขณะนั้นคนส่วนใหญ่ก็ได้เข้าบ้านนอนกันหมดแล้วบรรยากาศโดยรอบก็เลยเต็มไปด้วยความสงบเงียบแล้วก็วังเวงความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วมีเพียงแสงรางจากเสาไฟฟ้าที่เรียงรายห่างเป็นระยะระหว่างเสาไฟแต่ละต้นเพียงเท่านั้น แสงไฟรังๆจากเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านได้สาด ท, ทอดเข้าไปสู่บริเวณส่วนที่เป็นระเบียงของบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งตรงารางธรรมึนในความมืดนะคะแม้ว่าจะไม่สว่างเท่าไหร่นักแต่มันก็สามารถทำให้หญิงชาวบ้านคนนี้ได้มองเห็นร่างๆหนึ่งค่ะที่กำลังยืนอยู่บนระเบียงชั้นสองของตัวบ้านและเมื่อจ้องมองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสายตาไม่ได้ฝาดไป หญิงชาวบ้านก็ได้พบว่านะคะร่างนั้นเนี่ยเป็นของหญิงสาวที่สวมชุดไทยโบราณใบหน้าสวยแต่ว่าเฉยเมยแล้วก็นิ่งงนันกำลังยืนจ้องมองมาเช่นกันค่ะเมื่อเห็นเต็มตาเช่นนี้เป็นใครก็ต้องสะดุ้งแหละนะคะเรียกว่าเพ่นอ้าวแบบไม่คิดชีวิตเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าบ้านหลังนี้ได้ถูกทิ้งร้างไว้นานแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีคนมาอยู่เนิ่นนานหลายปี การที่จะมีคนมายืนอยู่บนระเบียงบ้านทั้งที่บ้านก็ถูกปิดตายไว้แล้วนั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนะคะว่าหญิงในชุดไทยโบราณ น, นั้นจะไม่ใช่คนนอกจากนี้ค่ะยังเคยมีคนเห็นหญิงสาวในชุดไทยนี้เช่นกันอีกหลายคนหลายครั้งต่างวันแล้วก็ต่างเวลากันจนกระทั่งเกิดเป็นเสียงร่ําลือกเกี่ยวกับการปรากฏร่างของหญิงสาวชุดไทยบนระเบียงชั้นสองของบ้านกระจายไปทั่วนะคะ ชาวบ้านอีกรายหนึง่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ประมาณ5กิโลได้เล่าให้เราฟังค่ะว่าตัวเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เห็นหญิงสาวชุดไทยปรากฏอยู่ภายในบ้านหลังนี้เช่นเดียวกันกับคนอื่นค่ะแต่ไม่ได้เห็นยืนอยู่ที่บริเวณระเบียงเหมือนที่คนอื่นมองเห็น จุดที่ชาวบ้านคนดังกล่าวได้เห็นหญิงสาวชุดไทยนั้นอยู่ตรงบริเวณหน้าประตูบ้านซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเจ้าของบ้านเดิมได้เอาไมา้แกะสลักรูปกระทิงจำลองมาตั้งโชว์อยู่ที่บริเวณประตูหน้าบ้านและชาวบ้านคนดังกล่าวนะคะก็ได้เห็นหญิงสาวในชุดไทยกำลังนั่งอยู่บนหลังรูปแกะสลักกระทิงจำลองตัวนี้ในลักษณะของคนที่กาลังนั่งรับลมเย็นๆในยามดึกอย่างมีความสุข ตลอดเวลาที่บรรดาชาวบ้านหลายๆคนคะ่ะเล่าเรื่องราวที่ตัวเองได้ประสบพบเจอมากับความน่าสะพรึงกลัวของบ้านหลังนี้เราก็สังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าขณะที่แต่ละคนกําลังเล่าประสบการณ์ของตัวเองอยู่นั้นก็เกิดอาการขนลุกขนชันแสดงถึงความสยดสยองให้เห็นอยู่ตลอดเวลาประหนึ่งเป็นการตอกย้ําแล้วก็ยืนยันให้เห็นเด่นชัดว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงขวัญดังกล่าวมาแล้วจริงๆ หลังจากตระเวนสอบถามชาวบ้านถึงความสะพรึงกลัวต่างๆเกี่ยวกับบ้านกระตุก ข, ขวัญหลังนี้ในบริเวณใกล้เคียงแล้วนะคะเราก็ได้เข้าไปพบกับคุณลุงเท้าขุนศรีซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านร้างหลังนี้โดยตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างซึ่งคุณลุงเท้าก็ได้กรุณาให้ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจไว้ดังนี้นะคะคุณลุงบอกว่าตัวของคุณลุงเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นกับตาสักรีหนึ่งแต่ก็ได้ยินคนอื่นเขาบอกว่าเห็นเหมือนกัน แต่ว่าเท่าที่สัมผัสมาด้วยตัวเองก็คือเรื่องของเสียงอันนี้แหละแน่นอนเพราะว่าได้ยินมากับหูตัวเองแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ว่าได้ยินเสียง แ, แปลกๆหลายครั้งเช่นบางครั้งก็มานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังคุยกันอยู่ที่ชั้นบนบ้านเป็นเสียงคุยของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเสียงเหมือนคนมีอายุบางทีก็ได้ยินเสียงเดินตึงตังไปมาอยู่ที่ชั้นบนทั้งที่บ้านก็ปิดล็อกกุญแจแน่นหนาและไม่มีใครอยู่ข้างในแน่นอน เมื่อถูกถามนะคะว่าคุณลุงเท้าเชื่อเรื่องที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันถึงเรื่องของผีหรือว่าเรื่องของวิญญาณที่อาจจะสิงสู่อยู่ในบ้านหลังนี้หรือไม่คุณลุงก็ตอบค่ะว่าสำหรับตัวของคุณลุงนั้นตอบยากเพราะไม่เคยเห็นกับตาตัวเองแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ว่าไม่มีนะเพราะว่าตัวเองก็เคยได้ยินเสียงแปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้ดังกล่าวนอกจากนี้ คนใกล้ตัวของคุณลุงเองก็เคยสัมผัสกับเรื่องราวแปลกประหลาดภายในบ้านหลังนี้เช่นกันคุณลุงเท้าขุนสีผู้ดูแลบ้านก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเองที่ชื่อดาวให้เราฟังนะคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะลูกสาวของตนซึ่งอายุ10กว่าปีก็ได้แอบหนีไปเที่ยวนอกบ้านพอกลับมาก็ไม่กล้าเข้าบ้านเพราะกลัวพ่อจะดุด่าก็เลยเข้าไปหลบนอนอยู่ที่หน้าบ้านตรงประตูทางเข้าแล้วก็เผลอหลับไป หลับอยู่นานแค่ไหนก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ประมาณ4ี่โมงเย็นก็รู้สึกว่ามีมือของใครคนนึงมาเขย่าร่างให้ตื่นพอตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับหญิงสาวชุดไทยมานั่งอยู่ข้างๆแต่ว่าตอนนั้นก็ยังรู้สึกงัวงเงียก็เลยเหมือนกับว่านึกว่าฝันไปก็เลยหลับต่อจนกระทั่งรู้สึกว่ามีใครมาปลุกให้ตื่นอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้พอลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบร่างของตากับยายชราคู่หนึ่งใส่ชุดขาวกำลังยืนอยู่ใกลๆ้ๆพร้อมกับยิ้มให้อย่างมีไมตรีแม้ว่าจะแปลกใจนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กลูกสาวของตนเองก็ไม่ได้ตกใจกลัวก็นึกว่าคนแถวนั้นมาปลุกแต่พอกลับไปบ้านก็เล่าให้ทุกคนฟังค่ะปรากฏว่าทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวต่างก็มีอาการขนลุกชันนะคะ เพราะไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวในชุดไทยหรือว่าสองตายายในชุดขาวล้วนก็เป็นร่างที่ปรากฏขึ้นในบ้านกระตุกขวัญหลังนี้ในในตอนกลางดึกของบางคืนทั้งนั้นที่ผู้คนในละแวกนี้นะคะได้ประสบพบเจอมา ไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวในชุดไทยหรือว่าสองตายายผู้ชาราภาพในชุดขาวจะเป็นใครก็ตามค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณ ใ, ใกล้เคียงกับบ้านหลังนี้ต่างก็ยืนยันนะคะว่าร่างทั้งสามที่ปรากฏกายในบ้านกระตุกขวัญหลังนี้ในยามวิการมันช่างเป็นภาพที่สร้างความสยองขวัญให้กับผู้พบเห็นได้อย่างมากมายสเสลือเกินค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีในค่าคืนนี้ด้วยนะคะหมดเวลาของรายการเราแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็คุณผู้ฟังอย่าลืมให้กำลังใจช่องพระเจอผีบน youtube นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยหรือว่าใครที่อยากจะมีเรื่องเล่านะคะจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าจะเป็นการได้ยินได้ฟังมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ตามสามารถที่จะส่งมาให้เราได้พูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันทางบ้านนะคะทางแฟนเพจพระเจอผีบน Facebook ด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ